สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าก็ท่งประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชคืนให้แก่ชาติไทยหลังจากที่ต้องตกเป็นประเทศราชของปมะปม า, ปมานานถึงส5บปีก็ทรงทาสงครามกับพมะตลอดรัรรชกาล ร, รมระยะเวลาแล้ว20ปีหลังจากนั้นไทยก็ว่างศึกจากปะมะมาเป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งปปีในยุคสมัยของพระองค์นั้น กรุงศรีอยุยาเป็นปึกแผ่นเศรษฐกิจก็มั่นคงส่งผลให้กรุงศรีอยุยาเป็นราชนาจักรที่รุ่งเรืองอีกครั้งแล้วก็เป็นศูนย์การค้าทั้งในและนอกประเทศมีผู้คนจากแดนไกลเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าคับขั่งบ้านเมืองก็ร่ำรวยชาวต่างชาติที่เข้ามาในพระนคร ก, ก็ชื่นชมพระนครหลวงที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำลำคลองมีคลองเชื่อมทั่วถึงกันตลอด ผ้าแพรที่พาดผ่านแผ่นดินจึงพากันเรียกว่าเวนิสตวันออกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่มีพระราชโอรสและธิดาพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสก็เสด็จขึ้นครองราดต่อมานับตั้งแต่กรุงเสฉวามาตั้งแต่นั้นมาก็เป็นนครที่ชาวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในเอเชียมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและก็มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชบ้างเมืองก็ยังคงเจริญมีความการค้าที่เจริญรุ่งเรือ ง, งมั่นคงมีศิละปะวิทยาการสมัยใหม่ๆทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้างการทหารการแพทย์แล้วก็วิชาดาราศาสตร์เข้ามาในยุคสมัยนั้นพระราชวังก็เสวยงามอลังการน่าดูหน้าชมยิ่งเ อ, อมีการสร้างสระน้ําน้ําพุแบบชาวอาหรับ แต่ว่าเหตุการณ์ความยุ่งยากกับชาวตะวันตกและก็ปัญหาภายในก็เพิ่มขึ้นทุกขณะเมื่อซึ่งสิ้นราชการของสมเด็จพระพระพทตรราชาก็ได้ขับไลท่ทหารฝรั่งเศสออกจากเมืองไทยเกิดการสู้รบกันอยู่ระยะหนึ่งก็ปลดให้ลือตปอมค่ายที่เมืองทนบุรีสีมหาสมุทรโดยให้ลดขนาดลงไปแล้วก็ปลดให้ลือถอนป้อมวิชัยเยนที่เพิ่งสร้างเสร็จ ป้อมวิชายเยนนั้นทางฝั่งตรงข้ามเมืองกรุงธนบุรีสีมาหาสมุทรเป็นป้อมทันสมัยขนาดใหญ่รัฐบาลฝรั่งเศสตั้งใจจะส่งกองทัพมาประจำที่ป้อมนี้ต่อจากรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็เกิดความขัดแย้งภายในอันเนื่องมาจากการแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่เนืองๆการค้าต่างต่างประเทศก็ซับส่าวลงแต่ก็ไม่ถึงกับหมดไปในสมัยสมเด็จ พระเจ้าบรมโกศก็ศิลปะวัฒนธรรมของไทยก็รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งจนได้รับขนานนามว่าเป็นยุคทองก็มีการบูรณะปฏิสังขรพระราชวังวัดวาอารามต่างๆฟื้นฟูบทละครนอกและบทละครในามาเล่นกันอย่างแพร่หลายภายในพระนครรื่นเริงไปด้วยการละเล่นและก็การดนตรีอยู่ตลอดเวลาแต่ในอีกไม่ถึงประมาณสิบปีต่อมา ประมาณพศ 2,310 กองทัพพมา่าเพื่อนบ้านก็ยกเข้ามาทางด้านตะวันตกของไทยก็ตั้งค่ายล้อมประชิดเมืองมาเป็นเวลาหนึ่งปีเศษก็ยกคนข้ามน้ำข้ามการความมืดไมกล่องราตรีมาบกุกทลายป้อมกําแพงเข้ามาจนถึงตัวพระนครกรุงศรีอยุธยา เมืองที่ชาวตะวันตกขนานกล่าวขวัญในสมัยนู้นว่างดงามมากที่สุดในเป็นนครที่งามที่สุดนครหนึ่งของโลกทีเดียวออแล้วก็เป็นเมืองหลวงของประเทศสยามมา417ปีมีพระมหาิย์สืบสายกันมาถึง33พระองค์ก็ได้เสียกรุงเป็นครั้งที่สองเจ้าวันที่8เมษายนพศ2310 ทั้งพระนครจมอยู่ในกองเพลิงชายไทยที่ยังเหลืออยู่ในที่นั้นก็ไม่สามารถหลบหนีเอาชีวิตรดอดข่มด่าได้พระราชวังวัดวารามบ้านช่องของขุนนางข้าหบดีชาวกรุงศรีอยุธยารวมทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของคณะมิชเนอรี่และก็พ่อค้าชาวต่างชาติทั้งหลายสัญชาติต่างๆก็ร่วมถูกทําลายจมอยู่ในกองเพลิงห้องสมุดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่ง สุริยะมาดอมรินที่มีเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแสนกว่าเล่มถูกไฟเผาหมดไหม้ไปผู้คนทั้งชาวบ้านแลวก็ชาววางก็ถูกล่ามโซ่ไปเป็นเฉลยแม้ยังรอดชีวิตแต่ก็ตกอยู่ในสภาพเสียสติบ้างก็ต้องตายขาดไปเพราะขาดอาหารที่โชคนี้หนีรอดก็พากันกระเสืกกระสน ล, ล่องน้ำลงมาทางใต้ ในหมู่ที่ราชีวิตเข่ากรงแตกทั้งนั้นก็มีในทหารหนุ่มผู้กราหานนามว ส, สินในขณะนั้นก็มีตําแหน่งเป็นพระยาวชิรประการเจ้าเมืองตากก็ได้รวบรวมไพ่พลหลบออกจากกรุงศียธยาไปก่อนหน้านั้นอีกเจ็ดเดือนต่อมาพระยาวชิรประการก็ล่องลําน้ำลงมาจากเมืองจันทบุรีถึงเมืองธนบุรีสรีมหาสมุทรเข้ามายึดเมืองแล้วก็ไปตีค่าย พ่อมาที่สุกี้ผ้าในากองเป็นแม่ทัพตั้งค่ายอยู่ที่โพสามต้นวันที่7สิิกายนพศ2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงประกาศอิสรภาพของชาติไทยและสถาปนาชาติเอ่อขึ้นมาใหม่ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่กรุงกรุงธนบุรีทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส, สายใหม่ กรุงศรีอยุธยาเสี ย, ย, ยเสียเสียกรุงครั้งที่สองนี้บ้านเมืองนี้จะพังพินาศย่อยยับมากแล้วก็ผู้คนอดอยากนอกนอกเมืองออกไปก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายระส่ำระสายทั้งภายในแล้วก็ศึกทั้งศึกภายในศึกภายนอกกับประเทศเพื่อนบ้านที่รายรอบอยู่นอกจากนั้นการลบระวังไทยกับพม่า ก, ก็ยืดเยื้อยาวนานดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดในรัชสมัยของพระ อ, องค์ ตามมาด้วยศึกเก้าทัพซึ่งเป็นศึกใหญ่ที่พม่าเตรียมกำลังพลไพ่พลมาอย่างมากซึ่งไม่เคยมีมาในราชกาลใดยกทัพมาในระหว่างที่เพิ่งสร้างพระนครเสร็จพอดีและก็ยังต่อเนื่องด้วยศึกต่างๆอีกหกครั้งประวัติศาสตร์การรบไทยกับพม่าก็สิ้นสุดลงในราชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพม่าติดพันปัญหาอยู่กับอังกฤษ